จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝันธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23มีนาคมพุทธศักราชส5งเป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฝังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้มีความตั้งจิตตั้งใจที่จะเบาดเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เจริญศรัทธาคือความเชื่อเจริญจาระคือการเสียสละเจริญศีลคือการไม่ทำบาปทำกรรม แล ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อความรู้ความฉลาดที่จะนำพาชีวิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นธรรมที่พู้เจ้าส่งมอบไว้ให้กับคารวะผู้ครองเรือนให้มาวัดอย่างน้อยเพื่อาอทิตย์ละหนึ่งครั้งมาฟังเทศฟังธรรม เพื่อจะได้เกิดศรัท ธ, ธาถ้ายัางไม่มีศรัท ธ, ธาถ้ามีศรัท ธ, ธาแล้วก็จะเสริมศรัท ธ, ธาให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปตามลำดำับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ปฏิบัติจาคะคือการเสียสละปฏิบัติศีลการไม่ทำบา แล ะ, จะเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปถ้าสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ชีวิตก็จะมีแต่ความร่มเงย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจดังนั้นสิ่งแรกที่เรา ควรที่จะสร้างกันให้มากๆก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอาหารหันตสาบของพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นคำสอนที่ประเสริฐที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลกนี้นานๆจะมีบุคคลประเสริฐ อย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้และมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัต์โลกการที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมาเผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็เป็นเหมือนกับมีหมอวิเศษที่จะนำวิธีรักษาโรคที่ไม่มีใครสามารถรักษาให้หายได้ เช่นในยุคปัจจุบันนี้เรามีโรคที่รักษากันไม่หายถ้ามีหมอคนไหนที่สามารถคิดค้นยาและวิธีการรักษาให้โรคร้ายนี้หายไปได้อย่างเด็ดขาดหมอคนนั้นก็จะเป็นคนที่มีแต่คนอยากจะเข้าไปหา ้าไปศึกษาก็าไปรับวิธีการที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปเช่นทุกวันนี้เรามีโรคมะเร็งที่รักษากันไม่หายถ้ามีหมอที่มีความรู้ความสามารถที่จะรักษาโรคมะเรง็งง่ายหายได้หมอคนนั้นก็จะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป ของคนที่มีโรคมะเร็งไม่ว่าจะอยู่ในสารทิศใดก็ตามพอได้ยินว่ามีหมอรักษาโรคมะเร็งงห้ยหายได้คนที่มีโรคมะเร็งทั้งหลายก็จะเข้าหาหมอคนนี้ทันทีฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับหมอรักษาโรคมะเร็งแต่โรคมะเร็งของของที่พุทธเจ้าจะรักษานี ไม่ใช่โรคมะเร็งทางร่างกายแต่เป็นโรคมะเร็งทางใจโรคมะเร็งทางใจก็คือโรคของความทุกข์ใจนี่เองที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความทุกข์ใจด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือเป็นเศรษฐีเป็นคนธรรมดาสามัญหรือเป็น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นมหากตริย์มหาจักรพรรดิคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ล้วนมีโรคของความทุกข์ใจอยู่ด้วยกันทุกคนมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่สามารถศึกษาหาวิธีรักษาโรคของความทุกข์ใจนี้ให้หายหมดไปได้ หลังจากที่พระองค์ทรงได้รักษาพระทัยของพระองค์ให้หายจากโรคของความทุกข์ใจแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาวิธีรักษาโรคนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังและเกิดศรัทธาความเชื่อก็จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามพอน้อมนำเอาไปปฏิบัติตาม ก็สามารถรักษาโรคทุกข์ใจให้หายไปจากใจได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่รับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้เพราะได้รักษาใจของตนเองให้หายขาดจากความทุกข์แล้ว จึงนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ต่อไปผู้ใดก็ต า, ามถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ทุกๆคนนี่คือเรื่องศรัทธา ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นก็เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลจริงมีอยู่จริงคำสอนที่สอนนี้ก็เป็นคำสอนที่จริงเป็นเหมือนกับเราได้ยินข่าวว่ามีหมอรักษาโรคมะเร็งให้หายได้ เราก็เชื่อว่ามีจริงแล้วยาหรือวิธีที่จะรักษาโรคมะเร็งนี้ให้หายได้เราก็เชื่อว่ามีจริงพอเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะได้ดําเนินออกเดินทางไปหาหมอที่เราเชื่อว่าจะรักษาโรคให้กับเราได้ฉันใด ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอาหารหันตสาวกว่าเป็นผู้ที่จะรักษาความทุกข์ใจของเราให้หายได้เราก็จะมุ่งไปหาพระพุทธเจ้ามุ่งไปหาพระอาหารหันเพื่อที่จะได้รับคําสอนเพื่อที่จะได้นําเอาไปปฏิบัติต่ตอไปคําสอนที่ท่านสอนให้พวกเราปฏิบัติคือให้เรา เสียสละจากะคือให้เราอย่าหวงอย่ายึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีอยู่เพราะว่าเป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากของต่างๆไปเช่นเราต้องจากทรัพย์ไปจากร่างกายของเราไปถ้าเราหวง ถ้าเรายึดติดเราก็จะมีแต่ความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางเสียสละอย่าไปยึดอย่าไปติดมีอะไรที่เราสามารถสละได้เราควรจะสละไปเก็บของเท่าที่จำเป็นเอาไว้ต่อการดำรงชีวิตก็พอแม้แต่ชีวิตในที่สุด เราก็ต้องสละอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าถ้าอยากจะไม่มีความทุกข์ก็ต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเพื่อรักษาใจไม่ให้มีความทุกข์พระพุทธเจ้าจึางสอนให้พวกเราหัดเสียสละกันอย่างที่ท่านทั้งหลายมาวัดกันในวันนี้ ก็เป็นการเสียสละเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นเสียสละความสุขเช่นแทนที่จะนอนสายนอนตื่นสายนอนให้สบายก็ยอมลุกขึ้นมาแต่เช้าเพื่อที่จะได้เตรียมค่าเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆที่จะได้นำเอามาถวายให้กับพระเนง อันนี้ก็เสียสละประโยชน์คือเข้าของเงินทองต่างๆเสียสละความสุขที่ได้จากการหลับนอนตื่นสายวันนี้ไม่ยอมตื่นสายจะขอเสียสละความสุขนั้นไปเพื่อที่เราจะได้มาทำการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไป ถ้าเราเสียสละอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาที่เราต้องจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะไม่ทุกข์ใจเพราะว่าเราได้ฝึกซ้อมเสียสละมาอย่างสม่ำเสมอและเห็นว่าการเสียสละนี้แทนที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ กับทำให้เราเกิดความสุขใจอย่างวันนี้ญาติโยมไม่ได้เสียใจไม่มีความทุกข์ใจกับการสูญเสียเข้าของเงินทองต่างๆเพราะญาติโยมมีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการเสียสละนี้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจ พอได้เสียสละได้ทําก็ได้สัมผัสกับผลได้รับความสุขได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียทรัพย์สมบัติไปถ้าเรา <c oughs> ไม่เคยสละทรัพย์สมบัติเวลาที่เงินทองเราหายไปหรือถูกใครเข้าแยงไปโกงไปเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่ยอมเสีย เราอยากจะให้เงินทองที่เรามีอยู่เป็นของเราไปตลอดอยู่กับเราไปตลอดพอมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องสูญเสียเงินทองไปเราก็จะมีความทุกข์ใจมากแต่ถ้าเราได้ซ้อมการเสียสละอยู่เรื่อยๆเสียทรัพย์ไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแล้วทุกครั้งที่เสียไป ก็เห็นว่าไม่ได้เป็นความทุกข์เลยเป็นความสุขต่อไปเวลาที่เราสูญเสียทรัพย์โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหมายตอนต้นเราอาจจะรู้สึกเสียใจแต่พอเราได้สติเราก็จะคิดว่าก็เป็นเหมือนกับการไปทำบุญดีๆนี่เองเวลาเราไปทำบุญเราก็เสียทรัพย์เสียเงินเสียทอง ทำไมเราไม่เสียใจทำไมเรามีความสุขใจตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เราสูญเสียทรัพย์ที่เราไม่ได้ตั้งใจียเสียไปมันก็เป็นเหมือนกับการทำบุญเหมือนกันทำไมเราจะต้องมาเสียใจที่เสียใจก็เพราะว่าเราอยากจะได้คืนมานั้นเองถ้าเราปรงไปเสียว่าของมันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วเหมือนกับของที่เราทำบุญ ให้ไปแล้วก็จะไม่กลับมาหาเราเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจเราก็จะมีความสุขใจและเราคิดว่าต่อไปเวลาที่เราจะตายเราก็ต้องเสียสมบัติเข้าของเงินทองที่เรา ไ, อไปอยู่ดีถ้าเราไม่รู้จักเสียสละไม่รู้จักปล่อยเราก็จะทุกข์ใจนี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการเสียสละ เบื้องต้นก็เสียสละของที่ง่ายก่อนของอนไรที่เราไม่ยึดไม่ติดมากเวลาเสียสละมันก็จะเสียง่ายแต่ต่อมาเราก็ต้องขยับเข้ามาเสียสละกับสิ่งที่เรารักเราหวงเช่นเราเสียสละคนที่เรารักได้หรือไม่ถ้าเราเสียสละได้เวลาเขาจากเราไป เราก็จะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเรายังเสียสละไม่ได้เวลาที่เขาจากเราไปเราจะทุกข์ใจมากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องซ้อมคิดไปไว้ในใจอยู่เรื่อยๆว่าซักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา เราก็จะทำใจได้แต่ถ้าเราไม่คิดไว้ก่อนไม่เตืนสติไม่คอยเตือนใจไว้ล่วงหน้าพอเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องพัดภาาจากกันเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์นั่นเองดังนั้นเราอย่าประมาทพระพุทธเจ้า สงสอนให้เราคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆแม้แต่ร่างกายของพวกเราก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันมีโอกาสที่จะจากเราไปได้ตลอดเวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจฝึกการเสียสละฝึกการปล่อยวางไว้แต่เนิ่นๆเวลาที่จะต้องเสียสละเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจคิดไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนอยู่เรื่อยๆซ้อมด้วยการให้ของที่เราพอจะให้ไปก่อนได้ ของไหนที่เราไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็บริจาคไปแบ่งปันไปทำไปอย่างนี้เรื่อยๆพอถึงเวลาที่จะต้องเสียของที่เรารักไปเราก็จะเสียได้อย่างง่ายดายหรือของที่เรารักที่เราคิดว่าเสียเราพอที่จะแบ่งปันไปได้ก็เสียไปก็ได้เช่นถ้าเรารักกระเป๋าเรา หวงกระเป๋าเราลองเอากระเป๋าที่เราลักเราห่วงนี้ให้คนอื่นไปดูแล้วเราจะเห็นว่าเรากับมีความสุขมากกว่ามีกระเป๋าที่เราลักเราห่วงไว้เพราะเวลาเรามีของที่เราลักเราห่วงเราก็มีความห่วงใหญ่มีความกังวลกลัวของที่เรารักจะหายไปแต่พอเราสละของที่เรารักไปได้ ความห่วงใ ย, ยความกังวลใจก็จะหายไปเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายดังนั้นอย่าไปมีเข้าของมากอย่าไปรับอย่าไปห่วงเข้าของมากเพราะเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจอันไหนที่เรารักเราควรเสียสละไปเพราะว่าเราจะได้ซ้อมเพื่อที่เราจะได้ เสียสละของที่เรารักที่สุดไปได้ต่อไปก็คือชีวิตของเราหรือชีวิตของคนที่เรารักที่ในที่สุดจะต้องมีการพัดภาาจากกันจะมีจ้องมีการสูญเสียไปนี่คือวิธีดับทุกข์ด้วยการเสียสละคือจากกะ วิธีดับสุขข้อที่สองที่สอนให้ทาก็คือการไม่ทําบาปอย่างที่เมื่อกี้พวกเราได้สมาทานรักษาศีลห้ากันการรักษาศีลห้านี้ก็เป็นการยุติการกระทําที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองเวลาเราทําบาปแล้วใจของเราจะมีความทุกข์จะมีความไม่สบายใจเช่นเวลาเราฆ่า ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจส่วนหนึ่งก็กังวลไม่อยากจะให้คนอื่นเขารู้หรือเขาจับเราไปลงโทษว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไม่ได้ทำบาปเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่มีความทุกข์กับ การกระทาที่ไม่ดีเหล่านี้ได้แล้วเวลาที่เราตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมเราอยากคิดว่าการทำบาปนี้จะมีผลแค่เพียงตอนที่เรามีชีวิตอยู่ mm. เช่นเราไปฆ่าผู้อื่นถ้าเราไม่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเราตายไปโทษนี้ก็จะหมดไป ความจริงโทษนี้ไม่หมดจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าไปลงโทษหรือไม่ก็ตามก็ยังไม่หมดอยู่ดีถ้าเขาถูกเขาจับไปขังคุกขังตารางก็ยังต้องไปใช้กรรมต่อเวลาตายไปในอบายเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะนี่คือที่ไป ของผู้ที่กระทำบาปหลังจากที่ตายไปแล้วดังนั้นขอให้เราคิดถึงผลที่จะตามมาคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาเราก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเราอย่าไปเสียดายสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้เพราะว่าเราต้องรักษาศีลเช่นบางทีเราค้าขายเราคิดว่า ถ้าเราไม่ถ้าเราโกหกเราก็จะขายของได้ถ้าเราไม่ขายถ้าเราไม่โกหกเราก็จะไม่ขายของเราก็จะขายของไม่ได้ขอให้คิดว่าของที่เราได้เช่นเงินทองที่เราได้จากการขายของด้วยการโกหกนี้มันไม่คุ้มค่าเท่ากับการไม่โกหกเพราะว่าถ้าเราไม่โกหกเราก็ไม่ได้ทำบา เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายของที่เราได้มานี้ไม่สามารถที่จะยับยั้งการไปเกิดในอบายได้ถ้าเราได้ของต่างๆมาด้วยวิธีการทำบาปอย่างนั้นขอให้เราอย่าเห็นคุณค่าอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าศีลธรรม เพราะศีลธรรมนี้แหละที่จะคุ้มครองปกป้องรักษาให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าถ้าเราได้ปฏิบัติทรรขั้นสูงคือขั้นปัญญาเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ของพระอริยเจ้า ไปเกิดเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้ท่านรักษาศีลกันทั้งนั้นไม่มีองค์ใดที่ไม่รักษาศีลเพราะว่าศีลนี้จะเป็นตกข่ายที่ป้องกันไม่ให้ท่านต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าท่านจเจริญปัญญา เห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราท่านก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆที่ทำให้ท่านต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆได้ทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพานได้ได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้ากัน อยู่ที่การมีปัญญานี่คือทำขั้นต่อไปหลังจากที่เรารักษาศีลได้แล้วท่านก็สอนให้เราเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานี้ก็คือต้องศึกษาเล่าเรียนเหมือนกับเราอยากจะมีความรู้เราก็ต้องไปโรงเรียนขยันไปโรงเรียนขยันฟังครูบาอาจารย์สั่งสอน แล้วก็ทำการบ้านที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนพอเราสอบเราก็จะสอบผ่านเราก็จะเลื่อนชั้นขึ้นไปตามลำดับเราอยากจะเรียนถึงชั้นปริญญาเองเราก็จะเรียนได้ถ้าเรามีใจที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความขยันที่จะไปเรียนขยันที่จะฟังครูบาอาจารย์สั่งสอน ขยันที่จะทําการบ้านขยันที่จะเข้าห้องสอบถ้าเรามีความขยันเหล่านี้เราก็จะได้ความรู้ต่างๆความรู้ระดับปริญญาตรีโทเอกพอเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะเอาความรู้นี้มาทําประโยชน์ให้แก่ชีวิตของเราได้ความรู้ทางโลกก็จะทําให้เราทํามาหากิน ด้วยวิธีที่สุดจริตมีสัมมาชีพทำให้เรามีความมั่งคัง่งมีความมีเงินมีทองมีสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ถ้าเราศึกษาทางธรรมคือปัญญาทางธรรมศึกษาวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เกิดจากความอยากต่างๆที่เรามีอยู่กันเช่นความอยากในการมคุณห้าก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเช่นเวลาเราอยากจะไปดูหนังนี่ก็เป็นความอยากในการมคุณเวลาอยากจะฟังเพลงอันนี้ก็เป็นความอยากในการมาคุณเวลาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความอยากในการ เวลาที่เราอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นความอยากในการถ้าเรามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจความอยากเหล่านี้จะพาให้ใจของเรากลับมาเกิดใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ความอยากยังไม่หมดความอยากนี้ก็จะพาให้เรากลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทาน ได้ร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะเราเห็นว่าการเกิดมานี้เป็นความทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่อยากจะต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ความอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เราต้องตัดให้ได้นอกจากความอยากในการแล้วเราก็ต้องตัดความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยอย่างนี้เราก็ต้องตัดเราต้องอยู่เฉยๆเป็นอะไรก็ได้จนก็ได้รวยก็ได้แล้วแต่บุญแต่กรรมให้คิดอย่างนี้ ตอนนี้เราเป็นอะไรก็ขอให้เราพอใจอย่าไปทะเยอญอยากเพราะถ้ามีความอยากแล้วมันจะไม่พอพอเป็นคนธรรมดาก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านพอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็อยากจะเป็นกำนันพอเป็นกำนันก็อยากจะเป็นสอสออยากจะเป็นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเราต้องยุติความอยากมีอยากเป็นให้ได้ ความอยากมีก็คืออยากล่ำอยากรวยอยากมีสมบัติเข้าของเงินทองตอนต้นก็อยากจะได้แค่นั้นพอได้แค่นั้นแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกความอยากนี้จะไม่มีวันพอไม่มีวันหมดพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่ง ถ้าเราต้องทำตามความอยากแล้วมันก็จะพาให้เราอยากไปเรื่อยๆวิธีที่เราจะตัดความอยากก็คือเราต้องไม่ทำตามความอยากให้ใช้หลักมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือต้องการเพียง น, น้อยเท่าที่จำเป็นสันโดษก็คือให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ได้มา <Workers. S 2> ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ <leaving> เราก็จะตัดความอยากต่างๆได้ตัดความอยากในการตัดความอยากมีอยากเป็นและตัดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เราก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายจะอยากหรือไม่อยากก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ถ้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากให้ความทุกข์หายไปก็ต้องอยากเป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายยอมรับความจริงสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดตอนนี้แก่ก็ยอมรับแก่ตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมรับมันไปตอนนี้จะตายก็ยอมรับมันไปอย่าไปต่อต้าน อย่าไปมีความอยากแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์นี่คือวิธีที่พระเจ้าสอนให้พวกเราหมัน่นเจริญปัญญากัน<ม>ก็คือให้เราพยายามต่อต้านความอยากต่างๆให้เห็นความอยากนี้เป็นเหมือนโรคมะเร็งที่เราจะต้องตัดมันทิ้งออกไปจากร่างกายของเราถ้าเราไม่อยากจะให้มันมาฆ่าร่างกายของเรา ดังใดถ้าเราไม่อยากจะให้ไทยใจของเราทุกเราก็ต้องต่อต้านความอยากทุกครั้งที่มันอยากเราจะต้องไม่ทำตามนันถ้าเราต่อต้านได้ต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะ จุดลากเราให้ไปเกิดใหม่นั่นเองพอไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายนี่คือการมาสร้างสิ่งที่ดีที่งามคือธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันคือให้สร้างศรัทธาสร้างจาระการเสียสละสร้างศีลคือการไม่ทาบา น่าสร้างปัญญาคือความฉลาดที่จะมายุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปถ้าท่านปฏิบัติได้ต่อไปท่านก็จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกอย่างแน่นอนเพราะผลนี้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากอะไร ผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้รับก็เกิดจากเหตุที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันนั่นเองถ้าเราสร้างเหตุคือศรัทธาจาระศีลและปัญญาได้เราก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างเหตุที่ดีที่จะนํา มาเสื่งมความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายให้ท่านได้นำเอาไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็สมควรแก่เวลาขอุตติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศีรัตนกรายและบุญกุศลที่ท่านได้ม า, มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็วแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากานมีเธอ